Book 2ห้าสิห้า55การทางาน t r a b a l h a r คุณทาอาชีพอะไรคะ e m que é que você trabalha สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ O meu marido é médico ดิฉ um ันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงออีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญนาแต่ภาษีสูงมากแต่ภาษีสูงมากแและค่าประกันสุขภาพก็สูงภาพก็สูง หนูอยากเป็นอะไรในอนาคตหนูอยากเป็นวิศวกรเากเป r นวิอยากเนวศวกเอยากเป็นวิศวกรเอิ้วอยากเนวิศวกรเอยากนอยากเศวกรานศเอิ้วอยาป็นวิเยากเนกยานวิกรเอิินเป็นนกานก ดิฉันมีรายได้ไม่มากดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศนี่คือหัวหน้าของดิฉันดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอตอาานาเงราเมอต้เรไปทานที่งโรงอาหารเนกีางามอนนว่งาหางมาน Eu estou ่ p ง o ี u r a de Emprego ดิฉัน้วที่างรงานเมาปทาน้วีงที่โ้ทวี่ยรงเสมนี้ทนวี่ราเมนี้นว่งงามนจีานว่งงานนวมาก Neste país há demasiados d e s e m b a r g a d o s Caruna, vai p a w w w b o o k t o d e ห a r a สือแล s e download เว v e r s ั o m a i ม่ล่าส t ด